มีร่างกายอยู่นะเหลือแต่ทุกทางกายแต่ทุกทางใจไม่มีก็ต้องชดใช้กรรมเก่าคือการที่มีขันห้าเหลืออยู่นะเป็นกรรมเก่าตัวขันห้านะนะั่นแหละตัวกรรมเก่าตัววิบากผลของกรรมเก่าก็ชดใช้อยู่ไปไเรื่อยจนมันหมดอายุนะหมดตายบางคนตายเพราะหมดอายุ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 ดิ้นรนเพื่อจะสแสวงหาความสุขดิ้นอ ย, อย่างนี้ตลอดชีวิตเลยดิ้นเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หนีไม่ได้บางคนเรียนหนังสือตั้งเยอะใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าเราทุกข์ไหมมันก็ยังทุกข์อยู่นะใหญ่โตแค่ไหนก็ทุกข์นะบางคนมีเมียสวยๆมันก็ทุกข์นะร่วมใจกลัวมเมียทิ้งมันมเต็มไปด้วยความทุกข์นะมีลูกก็ทุกข์ลูกเรียนหนังสือ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 คูกอะไรคู่กับทำหนึ่งทำหนึ่งก็คือนิพพานยากไปเท่นยากไปไหมทําไมวันนี้เท่นยากขนาดนี้มีคนภาวนาเก่งๆเยอะแต่วันไหนพวกภาวนาไม่ค่อยเป็นเราก็เท่นง่ายๆถือศีลไว้อะไรอ่า <c oughs> งั้เราต้งองภาวนานะภาวนาก็คือการมีสติขึ้นมาคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใ จ, อ ย, งใจอย่าคิดเรื่องกายเรื่องใจ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 อย่างคุณมาลีก็เห็นแลเห็นเยอะแยะไปเลยแบบไม่ยอมเรสปอน์ตามวัฒนธรรมไทยนิ่งไว้ก่อนงั้นเราจะเห็นอะไมันความเป็นตัวตนนะ่ยจริงๆไม่มีเมื่อไรหลงคิดนระความเป็นตัวตนก็มีขึ้นแต่ว่าพอเห็นตรงนี้นะว่าตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีเห็นเป็นกล่าวๆเนี่ยยังยอมรับไม่ได้บางคนพอเห็นตรงนี้นะเกิดความรู้สึก เวิรงวางวังเวงหวิวหวิวโวงโวงนะีตัวบอแหวนทั้งนั้นเลยนะีบางคนว้าวเวมีนะตายแล้วตัวเราหายไปคุณมารีเคยเป็นไหมเนะีเป็นเหมือนโวงวงวางเวงิวงหวิวหวิวหวันไว้เนีตัวบอทั้งนั้นเลยบางคนกลัวบางคนรู้สึกกลัวว่าตัวเราหายไปเฮ้ยร่างกายไม่ใช่เราแล้วนะจิตใจไม่ใช่เราดูน่ากลัว บางคนหวีผมอยู่หน้ากระจกนะหวีไปหวีไปเฮ้มันตัวอะไรวะเนี่ยนะมันดูน่ากลัวกําลังอาบน้ําอยู่นะถูสบู่อยู่ขัดชี้ใครอยู่โอ้ยนี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้บางคนกลัวเลยนะใครเคยเป็นบ้างไหมเอาพยักหน้าใครเคยเป็นไม่ยกก็ได้เอาวัฒนธ ร, รําไทยชอบพยักหน้า <c oughs> เนี่ยพอให้พยักหน้านะพยักเป็นแถวเลย <c oughs> ใครดูเรื่อยเราจะเห็นเลยนะบางคนกลัวไปเลย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 แก๊สไม่ได้หายไปใช่ไหมแก๊สกระจายออกไปนะจิต ท, ที่ปราศจากการห่อหุ้มแล้วนี่ไม่ได้หายไปนะแต่กระจายออกไปกว้างกวางไรขอบไรเขตชื่อวิมาริยาทิกัตตาจิตชื่อยาวยาวมีมีกัดกัดด้วยนะต้องต้องออกเสียงให้ถูกเพราั้นเดี๋ยวอาจารย์กฤิท่านทวงถ้ <c oughs> เราฝึกนะเราฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจฝึกไปเรื่อยเราจะค่อยๆพัฒนาเนหะ็นสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนะี่ยมากขึ้นมากขึ้น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 เราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกเอาต่อไปก็จะแ ย, ายากได้ละเอียดขึ้นอีกนำมาทําก็ยังแยกไปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่ส่สวนหนึ่งสังขารคือความปรุงแต่งทั้งดีและชั่วก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจะแยกออกมาค่อยๆแ ย, ย, ยกพอเราแยกสิ่งที่เรียกว่าขันเลยแยกตัวเราออกมาเป็นขันเป็นส่วนๆแล้วเนี้ยขันแต่ละขันจะไม่มีตัวเราแต่ถ้าหลงคิดเมื่อไหร่ตัวเราก็โผล่